กูกกำลังจะบวชอยู่ขอยํำอีกพอมันเห็นตัวอย่างมาแล้วพอบวชให้แล้วไม่กี่วันนะ่ะลาไปเยี่ยมบ้านแล้วไม่กลับมาซ้ำเลยมยีรูปหนึ่งเลยใน อ, อย่างนี้เพราะฉะนั้นยึงเตือนนะผู้ที่จะบวชคือหลวงปู่เป็นอุปชานะคิดให้ดี ต้องเป็นนักเสียสละจริงๆไม่ต้องห่วงนั่นห่วงนี้เลยเราต้องนึกทบทวนถึงพระพุทธเจ้านะเมื่อพระองค์สละราชสมบัติออกบวชแล้วพระองค์ไม่หวนกลับไปสู่คุ้งกามินพัทต์อีกเลยตอนที่พระองค์ยังไม่ได้ตัดทะรู้เป็นพระพุทธเจ้านะอันนี้เรา ปฏิญญาจนเป็นสาวกของพระ อ, องค์ก็พยายามดำเนินตามรอยของพระ อ, องค์นั่นเนงเมื่อถึงจะเป็นไปได้จึงจะหลุดจากพ้นจากทุกข์จากภัยไปได้พอทุกข์นมันก็เป็นธรรมดาอยู่เองเมื่อเข้ามาสู่ธรรมวิรัยนี่ใหม่ไอ้ความรู้ความฉลาดในอุบายต่าง มันเป็นทางที่จะให้ละกีเลตันหานั่นมันก็ยังยังน้อยอยู่มันก็ยังมีน้อยอยู่เพราะฉะนั้นอย่างที่เคยที่พูดให้ฟังมานั่นเมื่อวานนี้กบวชเข้ามาใหม่แล้วพระองค์เจ้าจึงวางระเบียบไว้ให้ถือนิสัยอุปชาถ้าอยู่ก็อุปชาลยวัน ถือนิสัยกับอุปชาอยู่ห้าพันสาถ้าไปอยู่กับสำนักอาจารย์ก็ข อ, อนิสัยอยู่กับอาจารย์ห้าพันสาในระยะนั้นก็ศึกษาเราเรียนทำรรมัววิัยให้รู้จักอาบัดหนักอาบัตดเบาให้รู้จักวิธีออกจากอาบัตดแล้วจาปฏิโมกได้แม่นยําแล้วมีศรัทธาเม่นในในพระรัตนากรัย เชื่อบุญเชื่อบุญเชื่อบาปจริงๆไม่เชื่ออย่างอื่นเอามาเป็นที่พึ่งเชื่อบุญเชื่อคุณเป็นที่พึ่งมีความเพียรพยายามละกิเลสให้น้อยบาบางออกไปจากกิจใจคุณสมบัติเหล่านี้นะผู้บวชเข้ามาแล้วจะต้องบาเพ็ญคุณสมบัติเหล่านี้ ให้เกิดให้มีขึ้นในตนต่อไปเมื่ออยู่ไปถึงพันษาได้ห้าแล้วจึงจะเป็นนิสัยมุดคือพ้นจากนิสัยจากอุปัชฌาอาจารย์ไปพอไปอยู่โดยลำพังได้ไม่เสียหายและพอที่จะแนะนำสั่งสอนผู้อื่นได้นี่ในหลักวินัยนะท่านแสดงว่าอย่างนี้บรญญัติไว้อย่างนี้ เพราะฉะนั้นพวกเราผู้สระบ้านเรือนออกมาบวชแล้วต้องให้นึกว่าเราต้องหวังว่าจะมาชำระตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสปาปธรรมต่างๆไม่ใช่บวชเข้ามาเพื่อหาลาภหายุทธเพื่อให้คนยกย่องสรรเสริญเยินยอว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีอย่างงู้นอย่างนี้ อย่าไปมุ่งหวังอย่างนั้นอันนั้นให้มันเป็นเรื่องของคนอื่นเขาจะต้องมีความรู้สึกเองไอ้ตัวเราอย่าไปมุ่งหวังเลยมุ่งตัวเรามุ่งหวังไปํำละกิเลสปรปธรรมให้มันน้อยบาบางให้มันหมดไปสิ้นไปจากกิจใจนี่เท่านี้แหละไอ้ความคิดเห็นของนักบวชโดยถูกต้องแท้ๆนะ เมื่อบวชเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นจึงว่าเราต้องปฏิบัติตามนี้อบวชเข้ามาแล้วพอบวชเข้ามาแล้วนอนไปคิดห่วงทางบ้านทั้งซ่องทั้งเพื่อนฟุ้งอะไรต่ออะไรออยากจะไปอวดกม็มีวางวังโลกนบวชแล้วนะบวชฉันได้บวชแล้วนะไปอวดญาติพี่น้องอวดเพื่อนฟุ้งอะไร ไปอย่างนั้นไม่ถูกไม่ถูกนั่ว่าเป็นความคิดต่ำมากแบบนั้นนะจะไปอวดได้ยังไงเพียงแค่ว่าขอข้บวชกับคณะสงฆ์คณะสงฆ์ก็ฝึกซ้อมแล้วก็เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติพอจะบวชได้อย่างนี้แล้วก็บวชให้ พระบวชให้อย่างนี้แนละ้วไม่ใช่ว่ามันจะเป็นพระทันตีเลยโดยแท้จริงแล้วเป็นพระโดยสมมติเท่านั้นเองอ น, นแต่ไม่ใช่เป็นพระโดยคุณธรรมอะ่ะดังนั้นบวชเข้ามาแล้วเราจิตมันต้องศึกษาเราเรียนธรรมวินยัยให้รู้ให้เข้าใจพร้อมกับประพฤติปฏิบัติไปตามธรรมตามธรร ม, ตา ม, ต, า ม, ต, ามตามวินัยที่เราเรียนรู้นะนะั้น เคยตอนอยู่ในสำนักอุปชาหรืออาจารย์ายจนว่าจิตใจหนักแน่นจนว่าเกิดความรู้ความฉลาดในธรรมในวินัยในรู้อาบัติหนักอาบัติเบารู้จักพิธีออกจากอาบัติผู้มีสมองความจำดีก็พยายามท่องปฏิโมกให้ได้ ระเบียบที่วางไว้แล้วพระพุทธเจ้าทรงให้สวดปฏิโมกขุกึ่งเดือนแล้วแต่ก่อนนั้นพอเพื่อนสวดเราเพื่อนรู้ความหมายกันเลยเพราะเปันภาษาเดียวกันแต่ทุกวันนี้สวดเป็นบาลีออกไปแล้วผู้ฟังก็ไม่รู้ความหมายแต่ว่าเราได้รวมกันได้สัมัทกัน เช่นนี้ผู้เป็นประธานจึงได้ที่แจงอธิบายสิกขาบทวินัยบางสิ่งบางอย่างให้ฟังกันเป็นอุโบสถแต่ละครั้งแต่ละคราวก็ให้ความรู้ความเข้าใจในวินัยไปเรื่อยๆก็อย่างนี้แหละที่การที่ลงอุโบสถปฏิโมกกันนี่นะมันก็เป็นคุณเป็นประโยชน์เราจะได้ พบปะกันทนธนากันถ้าอยู่ต่างสม ก, ก็รีปิษาสะกันต่างคนกับต่างมีเจตนาอันเดียวกันอย่างนี้เจตนาที่มาชำระตนให้บริสุทธิ์จากโทษบนทินต่างๆเมื่อพบกันเห็นการโคยินดีด้วยกันพราอมีความคิดเห็นตรงกัน ไม่ทะเลาะวิวาดกันไม่ทะเลาะวิวาดกันด้วยมีความเห็นขัดกันอันเป็นนักบวชนี่นะเราจะไปเกิดถือมั่นในความคิดความเห็นไม่ลงรอยกันอย่างนี้ไม่ถูกต้องเลยในสารานิยธรรมนะพระองค์เจ้าทรสง์แสดงไว้แล้วนี่มีความเห็นร่วมกันบพิกษุสัมมาเนนเอื่น ไม่ทะเลาะวิวาดกับใครๆเพราะมีความเห็นผิดกันนี่ความเห็นพระองค์เจ้ากระทรงแสดงไว้แล้วถ้าเกิดความคิดเห็นในวินัยมันไม่ตรงกันอย่างนี้เราก็ค้นตำรักตำลาแต่ก่อนนั้นท่านมีแต่ความจำก็ไปถามท่านผู้จำวินัยได้อย่างแม่นยำ แต่ทอมานี่เพิ่นพิมพทำเบี้วิในัยใส่ตำราไว้เมื่อเกิดความเห็นไม่ตรงกันมาอ้าวก็ไปนค้นตำราไม่ตรงไปเถียงกันหน้าดำหน้าแดงเมื่อตำราว่าไวปยังไงเราก็ลงกันอย่างนั้นเราที่ไปปฏิเสธตำรานนั้ไม่ได้เลยก็เชื่อว่าไม่มีหลักประกันแล้ววินยัยถ้าไปปฏิเสธตำราแล้ว ไอ้อย่างนี้นะนักบวชแล้วนะถ้าหากว่าเราดําเนินไปถูกทางแล้วมันไม่มีการทะเลาะวิวาดอะไรกันเลยนะแปลกจริงๆน่าสังเวชใจอย่างว่านี่นะอันอยู่ด้วยกันนะมันถ้าทะเลาะวิวาดกันเป็นนักบวชนี่แม่้มันไม่ควรจริงๆนะเพราะธรรมวินัยนะมีอยู่ครบบริบูรณ์แล้วที่จะให้เราประพฤติปฏิบัติทําใจให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่ง เมื่อต่างคนต่างทำใจเป็นกลางวางใจพป็นหนึ่งแล้วเรื่องอะไรเราจะไปทะเลาะวิวาทกันีนเรื่องทะเลาะวิวาทกันมันก็เรื่องของกิเลสเรื่องโมโหโทโศ อ, อะไรไปอย่างนั้นเลยเรื่องมานะทิฏฐิความแข็งกระด้างกระดองในใจนี่นมันไม่ยอมละกิเลสความถือตัวอะไรต่ออะไรออกไปอย่างนี้มันถึงได้กระทบกระทั่งกันนะ คอยเข้าใจให้ดีมเมื่อต่างคนต่างทําใจให้เป็นกลางอย่างที่แสดงมัจจิมาปฏิปทาทางสายกลางให้ฟังมานั่นหมู่นั้นะทําใจเป็นกลางแล้วก็รักษาใจอันนั้นเสมอไปอย่างนี้นะแล้วมันจะมีเรื่องอะไรอันเป็นเหตุที่จะให้ทะเลาะวิวาทกันรังเกียดกัน เพรเมื่อใจเป็นกลางแล้วอย่างนี้ความอติษทางกายวาจามันก็เรียบร้อยมันก็ตรงตามธรรมตามวินัยไปอย่างนี้นแหละฉะนั้นเรื่องไหนอันเรื่องที่จะมาให้ทะเลาะวิวาทกั น, นพิจารณาดูแล้วไม่มองเห็นเลยสำหรับผู้ที่ถือทรรมวินัยเป็นหลักเอาถ้าเราเห็นว่าเพื่อนพิกทุสมณีนูปนี้ ก็พึ่งไม่ตรงต่อวินัยอย่างเงี้ก็ตักเตือนกันผู้ที่ถือถูกตักตัวตักเตือนไม่ยอมรับออย่างนี้ก็ต้องพาไปหาคู่บังคับบัญชาผอุปครองไม่ต้องไปทะเลาะอุกอาจกันถ้าพอเห็นเราก็ขัดแย้งอันนี้ไปไปหาอุปัชฌาย์อาจารย์อย่างนี้นะก็ไปกัน ให้เล่าเรื่องแล้วให้ท่านฟังในท่านมีได้ใช้ว่าความคิดคอมเมนต์ของใครมันถูกมันผิดท่านจยเป็นผู้พิจารณาตัดสินลงไปแล้วมันก็เล่าเรื่องไปใครผิดก็ยอมรับว่าผิดไปซะแล้วก็ดำเนินไปในความคิดเห็นในทางที่ถูกต้องตามธรรมตามวิมในใัย น, นั่น <c oughs> เช่นนี้แล้วมันก็จะมีเรื่องอะไรในทะเลาะวิวากกันนะั่นเ้ง พูดถึงเรื่องอัตเลดกกระลาบอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรที่จะให้เรามาเยี่ยงกันเรื่องอัตเลดกกรลาบต่างๆมันก็มีอาศัยปัจจัยสี่จากชาวบ้านเขาถวายมาพอได้ประทังชีวิตไปวันวั น, วนคืนคืนไปกระเทานั้นนะแล้วมันก็เป็นความเหมาะสมกับความเป็นอยู่ของนักบวช อันเป็นนักบวชท้าล่ำรวยพุ่มเฟยมากมันก็การปฏิบัติทางธรรมทางวินยัยมันก็ก้าวหน้าไปไม่ได้กิเลสมันก็ไม่แห้งไม่วบาวางไปหลงละเลงอยู่ตั้งแต่อามณ์พิษหายนอกนุ่มวัตถุสิ่งของลาบยศอะไรก่บอะไรอย่างนี้นะแล้วมันจะก้าวหน้าไปได้ยังไงเนี่ยการปฏิบัติทำทางจิตใจก้าวไปไม่ได้เลย เพราะใจไปห่วงอยู่ตั้งแต่ลาบไปยศเนะกลัวจะ ต, ตนจะเสื่อมจากลาบจากยศอย่างนี้นะกลัวจะ ต, ตนจะไม่มีคนนับถือไม่นำลาบสาการลอะไรมาให้อย่างนี้นะถ้าไปวิตกวิจารอยู่นั้นไปไม่รอดสมาธิก็เป็นไปไม่ได้เลยอ่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมนะอันนะการที่เราจะทำใจให้สงบระงับใจต้องเสียสละลงไป ทั้งลาบยศสรเสริญเยินยออะไรไม่หวังเอาทั้งนั้นเลยใครจะสรรเสริญนินทาอะไรก็แล้วแต่จะมีอะไรใช้ถอยก็ตามไม่มีก็ช่างเราเชื่อบุญเชื่อกรรมที่ทนทำมาแต่ก่อนถ้าบุญมีมันถึบรรดาลมาแต่ถ้าบุญเราน้อยแล้วก็มันอดไปถ้าเชื่อกรรมเชื่อผลกรรมอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องห่วงอยู่ที่ไหนก็ตาม ไม่ต้องห่วงความอดความอิ่มก็เมื่อมันอดลงไปอ้าวบุญเราน้อยมันก็ธรรมดาอย่างนี้แหละก็ต้องสเสวยมันไปตามต า, ามบุญน้อยนี่แหละก็สบายใจถ้าโปงใจลงสู่บุญสู่กรรมอย่างว่านั่นแล้วถ้าบุญกุศลมากมันให้ผลมากมีอัศรีกราบมากขึ้นมาอ้าวแล้วก็แยกใจไปสลรอาโอไป ไม่สะสมมันไว้เป็นของตัวอะไรเลยอย่างงี้มันก็ไม่มีความวัวหมองอะไระเพราะมีอัตเลกกราบมากอย่างนั้นนี่เราปฏิบัติเนี่ยมันต้องดําเนินตามทางของศาสตดาเพราะว่าพระองค์ไม่มีอะไรมีแต่บริขารแปะเท่านั้นเองอทุกสิ่งทุกอย่างที่มีผู้ถวายมาพระองค์ก็มอบให้เจ้าหนะ้าที่แจก ทิศสุสรมเนรไปอย่างงี้นะเพราะฉะนั้นลองคิดดูที่วันที่พระองค์จะเสด็จประนิพันธ์พระองค์ไม่มีสมบัติอะไรเลยมีจม บ, บาทกับผ้าเท่านั้นทรงพระดาเนินไปสู่เมืองกุสินาราพระองค์ไม่ได้ห่วงใครทั้งนั้นเลยนึกว่าจะไปสั่งเสียญาติโยมอยู่ทั้งเมืองกรุงสาวรรคีบอก เมืองราชจะคืหรือที่เคยอยู่มานานอะไรอย่างโน้นอย่างนี้ไม่พระองค์ไม่ได้เสด็จไปสั่งราใครเลยทรงเสด็จไปตามที่พระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่าควรเสด็จเท่านั้นเองนะเสด็จไปตามรายทางภักที่ไหนเมื่อมีคนมาก็ทรงแสดงําโปรดไปตามรายทาง เนี่ยปฏิปทาของท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสผู้ไม่มีกิเลสอยู่ในใจเราก็หมั่นทบทวนกันสิเราเป็นสาวของพระองค์อย่าไปลืมสิเมื่อเราทบทวนถึงปฏิปทาที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาเป็นอารมณ์อยู่นั้นมันก็ทําให้เราเป็นผู้มักน้อยสันโดษเข้าไปนั่นเอง เมื่อเราปฏิบัติไปเป็นผู้มากน้อยสันโดษเข้าไปมันก็ทำให้กิเลสบางส่วนบางอย่างมันแห้งลงไปเบาลงไปนและการละกิเลสเนี่ยจงว่ามันมีมันหลายทางเราละทางวัตถุภายนอกแล้วก็ฝึกใจละปล่อยวางเอาฝึกใจให้ละ อุปทานความยึดมั่นในขันห้ามันเป็นสถานที่จิตอาศัยอยู่ใกล้ชิดนี่ผู้ที่จะมาปรงมาวางขันห้านี้ได้มันก็ต้องละวัตถุปัจจัยภายนอกได้เสียก่อนไม่ห่วงไม่ใยไม่อะไรมีอะไรก็เหมือนกับไม่มีไม่มีอะไรก็สบายอยู่ ไม่เดือดร้อนอะไรเรื่องวัตถุปัจจัยภายนอกอย่างนี้นะเราฝึกใจให้มันได้อย่างนี้แล้วก็มาภาวนาเพ่งอยู่ภายในอารมณ์ความห่วงห่วงอะไรมันก็ไม่เกิดมาแทรกแซงในจิตใจเพราะเราสละมันลงแล้วนี่เราเราไม่ถือว่าม่าานมีอะไรเป็นของของเราเป็นแต่สิ่งที่วัตถุปัจจัยอาศัยอยู่ทั่วคราวเท่านั้นเอง ไม่มีอะไรเป็นข อ, ของตัวสักอย่างเดียวท่านเมื่อตนสอนใจให้รู้ให้ฉลาดรู้เท่าวัตถุปัจจัยต่างๆนี่นนแล้วการทำสมาธิภาวนามันก็จิตใจกรร็รวมลงได้ง่ายการเพ่งใจให้เขาถึงความสงบอย่างนี้น่มันก็ไม่มีกิเลสดังกล่าวนะั้นแทรกแซงขึ้นมา พลั ก, กจิตใจให้คิดพุ่งไปทางศานาไม่มีเพราะเราสละมันมาแล้วนี่นั่นนี่ยทุกคนนะผู้ประพฤติรมในพุทธศาสนานี่มันต้องเฟิกให้เป็นคนเป็นผู้นักเสียสละลงไปตลอดเวลาเลยเราไม่มีอะไรจะเป็นของเราสักอย่างเดียวอันนี้นะมัน ก็เป็นของที่ว่าไม่ไปใช่ลึกก็ไม่ตื้นพอที่จิตจะยังรู้ได้เลยเพราะมันเห็นประจักษ์ชัดอยู่ทุกอย่างเลยนี่จะไม่เห็นยังไงแล้วแม้แต่ตาหนังนี่ก็มองเห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีแต่เกิดมาแล้วก็แป้ควนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นนะเราจะเราจะไปปฏิเสธความจริงเหล่านี้ได้อย่างไรแล้วเนี่ย แต่จิตนี้เมื่อไม่ฝึกฝนไม่อบรมให้เกิดศรัทธาความเชื่อมั่นในคําสอนของพระเจ้าก่อนแล้วมันหากไม่ยอมปฏิบัติตามเรื่องของเรื่องเพราะฉะนั้นในอินทรีย์ห้าประการพระองค์จึงยกศรัทธาความเชื่อขึ้นเป็นเบื้องต้นเลยเพราะถ้าว่ามันไม่เชื่อแล้วมันไม่มีความเพียรอ่ะ ไอสิ่งนี้ทรงสอนให้ละไอสิ่งมันก็ไม่เพียรละเมื่อไม่เชื่อนี่เรื่องมันนะไม่เชื่อว่าละแล้วมันจะมีผลดีดอย่างนั้นอย่างนี้เนะี่ยมันไม่เชื่อเมื่อไม่เชื่อแล้วมันก็ไม่มีความเพียรหละเองคิดดูอย่างนั้นแต่แล้วเมื่อมันเชื่อมั่นหลงว่าเมื่อเราปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงแนะนาสั่งสอนว่านี่ะ กิเลสนี่มันต้องเบาวางแน่นอนทีเดียวทุกทางใจก็ย่อมเบาไปแน่เพราะการปฏิบัติธรรมนี่เราก็มุ่งว่าจะเพื่องทุกออกจากขิตใจนี้เองเนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นใดทีนี่ทุกใจก็ดีทุกกายก็ดีมันเกิดมาจากเหตุเมื่อเราไปกําหนดเพ่งละเหตุแห่งทุกข์นั้นๆออกไปเมื่อเหตุเหล่านั้นมันดับไปแล้ว ทุกทางใจมันก็ดับลงเช่นยกตัวอย่างว่าเราเพ่งละความอยากได้อะไรต่ออะไรในโลกนี่ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตทางปัจจุบันนี้เราไม่อยากได้อะไรทั้งหมดเลยอย่างนี้นะไอความทุกข์ใจมันก็เออเบาบางลงไปเลยจิตใจก็เบาโปร่งก็ความไม่อยากไม่หิวความไม่ดิ้นรนกระวนกระวาย เพราความอยากได้อะไรต่ออะไรนั่นนะนี่นะผู้ใดทําผู้นั้นก็รู้เองเนะี่ยผู้ใดกระทาในใจของตนลงไปลนะอรู้เองเลยรู้ใจตัวเองนั่นแหละเมื่อมันรู้ด้วยตัวเองขึ้นมาแล้วมันก็หายสงสั ย, ยอะไบแบบนี้นะโอ้โหทางนี้เป็นทางคนทุกข์ได้จริงนี่มันนี่มันก็ สนจิตใจของตนเรื่อยไปแในวันนี้สอนไม่ให้มันอยากมันหิวไม่ให้มันถือมันอะไรต่ออะไรแต่เราอาศัยมันอยู่แต่เราไม่ถือมันในมันทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอาศัยอยู่ในโลกอันนี้นะเพิกใจอยู่นี่ตลอดเวลาไปเลยนะอืมทุกสิ่งทุกอย่างเราอาศัยมันอยู่เพราะว่าขันธวิภากอันนี้มันยั้งอยู่มันต้องได้อาศัยปัจจัยสี่ความลุงหล่อเลี้ยง ก็ถึงเป็นอยู่ไปได้แต่ว่าเราอาศัยมันด้วยปัญญาไม่ได้อาศัยปัจจัยสี่นี้ด้วยอำนาจแห่งอวิชชาตัญหามันต้องให้เข้าใจอย่างนั้น <c oughs> เมื่อเราอาศัยปัจจัตปัจจัยสี่นี้ด้วยปัญญาแล้วมันก็รู้จักประมาณสิแบบนี้นะนั้นเนี่ยมีน้อยเราก็บริโภคใช้สอยตามน้อยไม่ไม่เดือดร้อนใจ มีมากเราก็พิจารณาใช้สอยให้พอเหมาะ ก, ก็ควรแก่อัตภาพถ้าเหลือเพื่อก็ช่อจการผู้อื่นไปอย่างนี้เลยจึงเรียกว่าเป็นผู้บริโภคปัจจัยสี่นั้นด้วยอำนาจแห่งปัญญาไม่ได้บริโภคด้วยอำนาจแห่งตัณหาก็ให้พากันใส่ใจไว้ ธรรมเหล่านี้นะ่ะอุบายเหล่านี้นะมันเป็นอุบายที่ตัดทอนกิเลสตัณหาให้น้อยให้บาวางออกไปจากกิจใจเรื่อยๆไปแหละดังนั้นการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่จึง ไ, ไม่มีการบังคับกันนั่นแหละเพราะ ม, มันเป็นเรื่องบังคับไม่ได้เรื่องมันนะเหมือนอย่างวัวอย่างควายอย่างนี้นะ เมื่อเอาอยาให้มันกินมันไม่กินเลยเนะี่เราจะไปทุบไปตียังไงจะไปทํำยังไงให้มันกินมันก็ไม่กินเนะี่ยตีเอาจนตายมันก็ตายเพราเป่าไปเลยอืออย่างนี้เนี่ยไอการทําความดีรับละความชั่วก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยเมื่อบุคคลไม่เต็มใจจะทําความดีละความชั่วแล้วให้บังคับอย่างไงมันก็ไม่ทาฆ่าก็ตายเพราเป่าไปเลยลองคิดดู นี่แหละไอสาเหตุที่เราจะต้องได้แนะนำสั่งสอนกันได้นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาชี้แจงแสดงสู่การฟังก็ด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี่เองเนเมื่อผู้ฟังได้ฟังแล้วได้เข้าใจในแนวทางปฏิบัติแล้วอย่างนี้นะได้มีศรัทธาเกิดขึ้นในใจว่าเชื่อมั่นในข้อปฏิบัตินี้ว่าเป็นทางพ้นทุกข์ได้จริง เห็นแจ้งขึ้นด้วยปัญญาของตนเองอย่างนี้แล้วไม่มีใครบังคับแล้ววันนี้ผู้นั้นนะมันลงมือทําเองอนอะืลงมือปฏิบัติเองแล้วก็รักษาจิตสํารวมจิตของตนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีจิตเป็นใหญ่เป็นประธานถ้าหากว่าปล่อยให้จิตเล้ยวไหลไปแล้วการกระทาความดีทุกอย่างก็เลี้ยวก็ไหลกันไปหมดเลยออื ไม่สม่ำเสมอไปได้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อรวมความลงแล้วจึงว่าถึงแม้ว่าเราจะมีความรู้ความเข้าใจยังไงในแนวทางปฏิบัติอย่างนี้แล้วบทตอนที่จะเอาจริงเอาจังก็คือการรักษาจิตนั่นแหละเมื่อรักษาจิต ให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีที่ตนทํามาแล้วไว้ได้อย่างนี้นะเราอาศัยบุญกุศลความดีที่เราทํามาแล้วเป็นกำลังหนูนให้ให้ประพฤติความดีให้ฝึกตนให้ยิ่งขึ้นไปโดยไม่เกียจคร้านเลยวันนี้ถ้าหากว่าตนไม่ตนละเลยคุณงามความดีที่ตนทามาไม่ใส่ใจไม่ฝึกใจให้เชื่อมั่นในบุญในคุณอันนั้น ไว้ให้มั่นคงอย่างนี้มันก็ไม่มีกําลังใจสิแบบนี้นะจาอะไรมาเป็นกําลังใจต่อสู้กับมานคือกิเลสและความชั่วทั้งหลายนั่นนองเราจะเอาอะไรมาเป็นกําลังใจแบบนี้ไม่มีนั่นแหละการที่บุคคลจะทําความเพียรจะพยายามละกิเลสปาประธรรมต่างๆออกจากจิตใจให้น้อยให้เบาวางไว้ได้ก็เพราะอาศัย ความดีที่ตนทํามานะี่ยโดยลําดับนั้นแหละความดีก็หมายถึงบุญกุศลนั่นเองนะตนยึดมั่นในบุญในคุณอันนั้นเป็นที่พึ่งอยู่ในใจเสมอเสมอตัอ้งกลางวากลางคืนอย่างนี้นะทีนี้เมื่อเวลามีเหตุอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาจิตใจที่มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณนั่นแหละมันก็ไม่หวัหน่นไหวง่ายๆมันก็กําหนด รู้เท่าเรื่องนั่นได้ไม่ปล่อยให้จิตวันไวไปตามเรื่องชั่วต่างๆที่มันมาแต่ภายนอกหรือไม่วันไวไปตามอำนาจของกิเลส ท, ที่มันเกิดขึ้นภายในมันปั่นใจให้ฟุ้งซ่านเรื่อรลอยแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านไปตามมันเพ่งละกันอยู่เพราะนั่นเรารู้แล้วนี่ว่าความคิดความเมตตาเนี่มันเป็นกิเลสไม่ส่งเสริมมัน เมื่อรู้เนื้อกบเข่งละมันอยู่เรื่อยไปไ ม, ไม่ไม่ปล่อยให้จิตคิดปรุงแต่งให้มากขึ้นไปกว่านั้นให้มันน้อยลงในที่สุดความคิดเหล่านั้นให้มันหายไปเลยระงับไปเลยเมื่อความคิดความนึกปรุงแต่งนั้นระงับดับไปแล้วไอ้กิเลสเหล่านั้นมันก็ดับไปตามกันมัน ก, มนก็มันก็เกิดขึ้นไม่ได้เป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นให้พึงเข้าใจก็เคยอุปมาให้ฟังอยู่เหมือนอย่างพวกพ่อค้าพาณิชย์ต่างๆไอ้ที่เขาจะเขาจะทําการค้าขายใหญ่โตได้ยังไงก็เพราะเขามีทุนก้อนนึ่งอยู่ในมืออย่างงี้เขาจึงได้ซื้อสินค้ามาใส่ร้านไว่มากมายได้ร่อใจลูกค้าให้เข้าร้านซื้อ ถูกขายแพงกันไปอืมเขาก็จึงได้ร่ํารวยขึ้นโดยดําดับไปแต่ถ้าหากว่าเขาไม่มีทุนรอนเดิมอย่างนั้นมากมายอย่างนั้นม า, มาตั้งเป็นทุนลงไปก่อนแล้วอย่างนี้เขาจะไม่ได้สินค้ามากมายอะไรมาใส่ล้านไว้ความร่ำรวยก็จะไม่เกิดขึ้นมากมายเป็นอย่างนั้นอุปมานี่ชั้นใด้ตัวอย่างนั้นเนี่ย บุคคลผู้ทำความดีแล้วไม่รักษาความดีของตน้นปล่อยให้บุคคลคุณงามความดีมันเสื่อมไปเอหลือได้ทำความดีแต่รักษาความดีไว้ไม่ได้อย่างนี้นะมันก็จิตใจก็อ่อนแอสิบปนี้จิตใจนะั้นมันไม่มีบุญคุณเป็นกำลังเป็นเครื่องอยู่ในใจแล้วใจมันก็อ่อนแอท่อแท้ นั่นแหละมันเป็นจุดให้กิเลสครอบงามจิตได้แบบนี้มันเป็นอย่างน้น—เพราะนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจมันยังคนหาเงินเขาได้บาทหนึง่งเขาก็รักษาบาทหนึ่งไว้ได้1ิบบาทเขาก็รักษาไว้ไม่หายพยายามรักษาไว้แล้วก็ของเก่ารักษาไว้ไม่หายหาใหม่เพิ่มเติมเข้าไปมันก็มากขึ้นมากขึ้นโดยลาดับก็อย่างนั้นเนี่ย